นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาทุติยสมุทัยสูตรที่เจ็ดจบ 8. โกธิตะสูตรว่าด้วย พระโกธิตะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกธิตะอยู่ณป่าอิสิปตนะมรกทายวันเขขรงพารณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากพระสมาบัตในเวลาเย็นและถึงนั่งนาทีสมควรได้ถามท่านพระมหาโกธิตะดังนี้ว่าท่านโกธิตะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อาวิชาอาวิชาอาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชาท่านพระมหาโกติตตะตอบว่าท่านผู้มีอายุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชาเมื่อท่านพระมหาโกธิตะตอบอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านโกธิตะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไร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 นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและโดยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาโกธิตะสูตรที่8จบ 9. ทุติยะโกธิตะสูตร ว่าด้วยพระโกธิตะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกันท่านพระสารีบุตรนั่งนั่ที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกธิตะดังนี้ว่าท่านโกธิตะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา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 ว่าด้วยพระโกติตะสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกันท่านพระสารีบุตรนั่งนทัท่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกติตะดังนี้ว่าท่านโกติตะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชา Wow. ท่านพระมหาโกธิตะตอบว่าท่านผู้มีอายุปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดรูปไม่รู้ชัดความเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณ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 และด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาท่านพระมหาปวทิตะตอบว่าท่านผู้มีอายุพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดแห่งรูปรู้ชัดความดับแห่งรูปรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดวิญญาณ รู้ชัดความเกิดแห่งวิญญาณรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งวิญญาณท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาตติยะปุถิตสูตรที่สิบจบอวิชาวักที่สามจบ พระสูตรที่มีนิวัค์นี้คือ 1. สมุทัยธรรมสูตร 2. ทุติยสมุทัยธรรมสูตร 3. ตติยสมุทัยธรรมสูตร 4. อาสาทสูตร 5. ทุติยอาสาทสูตร 6. สมุทัยสูตร 7. ทุติยสมุทัยสูตร 8. โกธิตะสูตร 9. ทุติยะโกธิตะสูตร 10. ตติยะโกธิตะสูตร 4. กุกุละวักหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน 1. กุกุละสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนสัญญาเป็นของร้อนสังขารเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป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 ไม่มีคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปกุกุละสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อันนี้จะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละชันทะในรูปนั้นเวทนาไม่เที่ยงและถึงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นอณิจจสูตรที่สองจบ 3. ทุติยอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงสูตรที่สอง เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าไม่เที่ยงคือรูปไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเวทนาไม่เที่ยงและถึงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณ น, นั้น ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยอนิจสูตรที่สจบ 4. ตติยอนิจสูตร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 วิญญาณไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นตติยะอนิจจสูตรที่สี่จบ ขสูรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นละถึงภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นทุกขสูรที่ห้าจบ ทุติยทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์สูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งได้เป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นและถึงภิกษุทั้งหลายสิ่งได้เป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยทุกขสูตรที่หกจบ เจตตติยะทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์สูตรที่สามรื่งเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นและถึงภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นทุกข์เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น ตติยะทุกขสูตรที่เจ็จบ 8. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาววัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตาละถึงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละชันทะในสิ่งนั้นอนัตตสูตรที่8จบ 9. ทุติยอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาสูตรที่สอง เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตาและถึงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณ น, นั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นทุติยอนาตาสูตรที่9จบสิบ ตติยะอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นอนัตตาคือรูปเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเวทนาเป็นอนัตตา ละถึงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งได้เป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นตติยะอนัตสูตรที่สิบจบ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 สิสองอณิจานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปอยู่และถึงในเวทนาในสัญญาในสังขาร พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่ละถึงเรากล่าวว่าละถึงและย่อมพ้นจากทุกข์อ น, นิจจานุปัสสีสูตรที่12จบ13า ทุกขานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นทุกเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาววัตถีพระผู้มีพระภาคตรัาวว่าภิกษุทั้งหลายคุณระบุรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกในรูปอยู่และถึงในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกในวิญญาณอยู่และถึง เรากล่าวว่าละถึงและย่อมพ้นจากทุกขทุกขานุปัสสีสูตรที่13จบ 14. อนัตตานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นอนัตตา เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคุรบุตรผู้บวชด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปอยู่และถึงในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในวิญญาณอยู่ผู้ใดพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร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 เรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตและย่อมพ้นจากทุกข์อนัตตานุปัสสีสูตรที่14จบกุกุลวัคที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นึ่งกุกุละสูตร 2. องณิจจสูตร 3. ทุติยะอณิจจสูตร 4. ตติยะอณิจจสูตร 5. ทาธุขสูตร 6. ทุติยะธุขสูตร 7. ตติยะธุขสูตร 8. อนาตสูตร 9. ทุติยะอนาตสูตร 10.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 ทิฏฐิวักหมวดว่าด้วยทิฏฐิหนึ่งอจัตตสูตรว่าด้วยสุขและทุกข์ในภายในเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรสุขและทุกข์ในภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า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 อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัชัตตสูตรที่หนึ่งจบ 2. เอตังมะมะสูตร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 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเอตังมะมะสูตรที่สองจบสาม โซ so, อัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้ว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 ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโซ so, อัตตาสูตรที่สามจบสโนจะเมศยาสูตรว่าด้วย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 ละถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปมิชาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณมิชาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียง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 มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นมิชาทิธิจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีขีดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมิชชาทิธิสูตรที่หจบ